เราก็มาปฏิบัติทำเข้มนะหรือว่ า, าเก็บอารมณนะ์เราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องเรื่องการปฏิบัติทำเข้มหรือว่าการเก็บอารมณ์นะี่ชัดเจนนะเราจะได้ปฏิบัติไนดะ้ถูกเพราะถ้าเราไม่เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติทำ เข้มหรือว่าการเก็บอารมณ์นี่เป็นไปเพื่ออะไรนะบางทีเราก็เราก็จะทําตามความเคยชินหรือว่าทําตามใจของเราเองจริงการปฏิบัติทำเข้มข้นหรือว่าอุก戒เนะี่ยหรือว่าการเก็บอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกานที่เราได้สร้างเงื่อนไขนะสร้างเงื่อนไขหรือว่าการที่เราได้มีความตั้งใจที่มั่นคงแล้วว่า เราจะอยู่กับการปฏิบัติในรูปแบบให้มากที่สุดนะเราจะวางการงานเราจะวาง <c oughs> สิ่งที่ต้องไปไปจัดการหรือไปทาเรื่องภายนอกนะให้มากที่สุดเลยนะเราจะทาเพียงแค่เรื่องเดียวในช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่จะมีเรื่องอื่นแต่เราก็ต้องวางไว้ก่อน นอกจับเป็นเรื่องที่จําเป็นหรือเป็นกิจวัตรปกติอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องทําอยู่แล้วแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่เวลาเราอยู่กับทางโลกเนาะมันก็ยากที่เราจะวางเรื่องงานมันก็ยากที่เราจะวางเรื่องครอบครัวนะเพราะว่าเราต้องประกอบอาชีพหรือว่าเราต้องอยู่ในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะต้องไม่เกี่ยวข้อง กับคนอื่นหรืองานภายนอกไม่แต่พระเองก็ดีนะถ้าเรานะอยู่ในช่วงปกติธรรมดาเราก็ต้องมีช่วงที่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับญาติโยมนะมันก็ยากที่จะไม่พูดคุยกันแต่ถ้าเราถือโอกาสว่ายัางน้อยช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่เราจะตั้งใจปฏิบัต ทำเข้มนะเราจะเก็บอารมณ์เราก็ถือว่าเราได้วางงานก่อนการวางงานไม่ใช่เป็นการทิ้งงานนะนะเราวางไว้ช่วงสี่ห้าวันนี้นะเรากลับไปแล้วก็ไปเคลียร์แล้วก็ไปทำเหมือนเดิมนหน้าแดบดบนะแต่การวางก็คือการที่ตอนนี้เรายังไม่ทำนะมีงานอยู่รออยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้เราขอขอพักไปก่อนนะ มีครอบครัวรอให้กลับไปแต่ตอนนี้เราขอพักเรื่องครอบครัวไว้ก่อ น, นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มาโฟกัสกับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตรงนี้มันจะช่วยให้เราคล้ายๆมันจะได้เห็นอารมณ์ตัวเองนี่ชัดเจ น, นในเมื่อถ้าเราตั้งใจที่จะวางตรง น, นั้นแล้วในช่วงสั้นๆตรง น, นี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความคิดมีความรู้สึก เรื่องงานก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีเข้ามาแทรกหรือว่ามันอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องการปฏิบัติในช่วงนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไปเลยว่ากิเลสมันมาหลอกเราแล้วกิเลสมันมายั่วแล้วกิเลสเข้ามาชวนแล้วนะให้ทะเลทลายออกไปจากสิ่งที่ควรที่จะทำในตอนนีน้เราจะได้เห็นชัดเราจะได้ มีความเห็นเห็นชัดเจนว่าความสิ่งที่มันมาดอละมันมันเป็นอาการแบบไหนคล้ายๆเหมือนกับเราปูผ้าขาวนะไว้กับพื้นเมื่อมีอะไรมนตกลงมาบนผ้าขาวเนะี่ยมันก็จะเห็นชัดนะแต่ถ้าพื้นของเรามันเป็นพื้น ใช่เป็นพื้นไม้แบบเนี้ยหรือพื้นสีกระดมกระด่างหลากสีบางทีมีสิ่งอะไรตกลงมาบนที่พื้นมันก็เห็นมันก็ยากที่จะเห็นเพราะว่าความหลากหลายหรือว่าความไม่ชัดเจนของมันมันเป็นพื้นอยู่จิตของคนทั่วไปก็เหมือนกันเวลาต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างบางทีมันก็แยกแยะไม่ถูกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคือกิเลส อะไรคือไม่ใช่กิเลสนะแต่ถ้าพอเรามันมีกติกามันมีกฎตรงนี้สักหน่อยนะมันเหมือนกับการที่เรามีมีผ้าขาวที่ปูไว้ถ้าความคิดอย่างอื่นที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยแสดงว่ากิเลสเข้ามามาทดสอบเราละนะเราก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้มันเป็นกิเลสนะออนะนะมันยังไม่ใช่เวลาที่จะทำนะอ่นะ มันเป็นความคิดนะนะแม้สิ่งที่คิดนะสิ่งที่ยั่วมอาจเป็นดะีเอินใหญ่มันก็เป็นยั่วด้านดีด้วยแหละนะคิดว่างานมันคลัง่งคลั่งควรต้องรีบไปจัดการคิดว่าสิ่งนะั้สิ่งนี้ควรที่จะทํานำะก็ไปทําอย่างที่วัดเองบางทีมีพระบางรูปเก็บอารมณนะ์นะบางทีก็ แรกๆวันสวันแรกก็ตั้งใจปฏิบัติดีแต่พอเดินจงกรมบ่อยๆนะก็รู้สึกว่าทางเดินจมกรมของตนเองไม่ดนะีก็ไปหาจอบหามีดนะมาปรับทางเดินจมกรมมาปรับทัศนียภาพรอบๆทางเดินจงกรมก็เสียเวลาทำกับเรื่องทางเดินจงกรมนะ สองสามวันนะจนกทั่งเก็บอารมณ์แค่เจดวันก็ได้ปฏิบัติอีกทีจริงๆก็วันสุดท้ายนะอีกหนึ่งวันเยนะก็หมดเวลาไปนะหรือบางรูปก็เห็นกุติแต่เองไม่สะอาดเห็นกุติแต่เองไม่เรียบร้อยก็ทำแต่งานตรงนั้นคิกิตมันจิตมันเบื่อที่จะปฏิบัติในรูปแบบ มันก็เลยหาเรื่องหาเรื่องไปไปทำข้างนอกหรือบางทีมันก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลนะอ่มันก็เป็นเหตุเป็นผลทำอะไรมันก็สามารถรู้สึกตัวได้แหละนะเราขุดดินเราอ่ตัดหญ้าเรากวาดพื้นมันก็เป็นความรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะมันก็มีเหตุมีผลแบบนี้มันก็เลยทำให้เรารอให้เราออกไปทำอย่างอื่นนอ อันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันนะต้องระวังมันนะอย่าให้ความคิดปรุงแต่งพวกนี้มันม า, ม, น ม, ามันมาชวนมาล่อเราไปได้ง่ายๆแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้นะเราก็ทำได้อย่างเช่นการมีกิจวัตรนะมันก็จะช่วยเราอย่างเช่นอย่างที่นี่สมมติสีม่วงกบกวาอะไรเนงะี้ยแล้วก็กวาดรานวัดเป็นการทำกิจวัตรแบบนี้ก็ได้นะ อันนี้เป็นการช่วยให้เรารู้ว่าเออใช่อยู่ใบไม้มันก็ร่วงนะพื้มันก็ต้องสกรปรกมันก็ต้องควรที่จะทำไม่ทำก็ไม่ได้แต่เราจะทำในเวลาที่ที่มันได้ตั้งกันไว้นะเช่นฝีมนอกว่าๆเราก็ตั้งตรง น, นั้นหรือบางทีเราปฏิบัติทำนะบางทีมันก็มีมีความรู้สึกนะ อยากจะปฏิบัติอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งยกมือสั้งจังหวะไม่อยากมาทานข้าวหรือบางทีไม่อยากอาบน้าไม่อยากรับนอนก็มีบางทีก็มีอารมณ์พวกนี้มันเพลินๆทำไปไม่อยากไม่อยากทำพวกนั้นแต่บางทีถ้าเราไม่ทำมันก็เป็นผลเสียต่อร่างกายนะเนาะไม่กินข้าวไม่พักผ่อน ไม่อาบนะ้ำมันก็เป็นผลเสียต่อร่างกายบางทีเราก็ต้องฝืนใจทาเหมือนกันนะแม้บางทีมันเพลินๆมากนะรู้สึกเลยว่าไม่กินข้าวก็ได้นะือไม่นอนก็ได้นะบางทีมันก็รู้สึกแบบนั้นนะแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ให้กับร่างกายเขาด้วยเนะกินข้าวอาบน้ําพักผ่อนนะหรือว่าทำกิจวัตรบางทีมันก็ไม่อยากจะทำเลย อันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่าอะไรอะไรเป็นควรอะไรไม่ควรในในตรงนั้นด้วยนะแล้วอย่างหนึ่งพอเวลาเราเราเก็บอารมณ์เราปฏิบัติเข้มเนี่ยมันจะมันมันเป็นการคล้ายๆปิดปิดอารมณ์ภายนอกเข้ามาเนะ่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะนะแต่มันก็เป็นการปิดปิดการรับรู้ ภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เช่นเราไม่อ่านหนังสือนะไม่อ่านหนังสืออย่างอื่นนะหรือเราไม่ไปดูดูข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เนต็ตทางอะไรต่างๆนะหรือเราไม่ได้ไปพูดคุยกับใครมันก็ทําให้ข้อมูลนะ ที่เราได้รับรู้จากภายนอกเนี่ยมันมันปิดลงไปนะบางทีคนส่วนใหญ่บางทีมันหลงคพรามีสิ่งที่มากระทบนะได้รู้นั่นได้เห็นนี่ได้คุยกับคน น, นันคนี้จิตมันก็คุ้มร้างได้ง่ายนะจิตมันก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาแต่พอเราปิดข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะมันก็คงปิดไม่ได้ทั้งหมด น, นนะเพราะว่า มันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเองรอบๆบริเวณตัวนี้นะหรือนะสิ่งที่เราเห็นในบริเวณตรงนี้แหละแต่อย่างน้อยเราก็ปิดในบางส่วนที่เราพอปิดได้มันก็จะทําให้สิ่งที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตะกอนที่มันนอนเนื่องในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะความคิดความรู้สึกอารมณ์เก่าๆนะมันโผล่มันผุดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นธรรมดาน ะ, ะเดินไปก็คิดไปนะเรื่องราวในอดีตนะอย่างบางคนเนี่ก็ตั้งแต่นู่นจำความได้นะอยา่าจะมาเองก็เหมือนกันบางทีตอนเป็นระวาดก็จำไม่ได้นะเราจำความได้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเดินจงกรมไปเอมมันผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมามันก็ผุดขึ้นมาคิดนะ หรือบางคนก็อาจจะคิดถึงอนาคตนะจะทำนั่นทำนี่นะมันก็โผล่ขึ้นมามาล่อให้เราให้เราคิดให้เราเพลิ น, นะบางครั้งโดยเฉพาะความความคิดหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ที่มันดีดที่มันบว ก, บวกที่มันมีความสุขเนี่ยมันจะทำให้เราติดครับทำให้เราเพลินง่ายนะบางทีความคิดไม่ดีความรู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะดูว่าเออนี่มัน มันทุกนะมันมนความหลงนะเราก็จะตัดมารู้สึกตัวได้ได้บ่อยหรือว่าได้เร็วนะแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีดนะแผนงานอนอะนาคตที่ดีนะหรือเรื่องราวที่เคยทำให้มีความสุขคิดถึงคนรักคิดถึงนะเรื่องประทับใจนะใจเรามาจจะติดกับเรื่องพวกนี้ได้ง่ายนะ บางทีคิดเพลินไปหลายนาทีนะบางทีก็คิดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงก็มีอันนี้คือเรื่องราวที่ที่มันจะล่อให้เราให้เราหลงไปได้ง่ายซึ่งเรื่องพวกนี้เวลาเราเก็บอารมณ์มันก็จะเป็นตะกรอนเก่าในใจของเราเนี่ยแหละนะตะกอที่มันเราเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวมันเป็นสัญญาภูนะุงต่อเป็นสังขารบางทีมันไม่ได้กระทบจากเรื่องอื่นเลยนะนะ มันผุดขึ้นมาของมันเองนะเพราะว่าเราระเก็บอารมณ์เราไม่ได้ไปกระทบเรื่องภายนอกมากนักแต่มันก็ผุดขึ้นมาของมันเองนะอันเนี้เราก็เราก็เห็นว่าอ้อมันเป็นอนัตตาแบบนี้เองเนาะจิตมันจิตมันจะคิดมันจะคิดของมันเองนะจิตมันจะคิดมันก็คิดของมันเองนะแม้ไม่มีสิ่งที่กระทบมันก็กระเทือนเองก็ได้แต่ก่อนเราจะเข้าใจเพียงว่าเพราะว่า ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพรา ะ, ะตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงคือมีอะไรมากระทบมายั่วมันถึงเกิดมันถึงเกิดความทุกขนะ์คนถ้าเข้าใจแบบนี้มันก็เลยพยายามที่จะหนีความทุกขนะ์หนีคิดว่าการงานทําให้เราเกิดความทุกขนะ์ถ้าเราไม่ทํางานคงไม่เครียดนะถ้าเราไม่ทํางานทําการเราคงไม่เจอคนที่มันไม่สบอารมณ์นะ ก็เลยพยายามคิดว่าการงานเป็นอุปสรรคในการทำให้ชีวิตเรามไม่พ บ, พ บ, พบกระบความสุขจริงๆมีความทุกข์หรือว่าถ้าคิดว่าเราถ้าเราไม่เจอผู้คนมันก็คงจะดีนะชีวิตนี้จะได้ไม่โดนกระทบจากคำพูดจากอะไรต่างๆนะคิดว่าถ้ า, าไปอยู่คนเดียวมันจะดีแต่แท้ที่จริงแล้ว มันก็ปิดกั้นไดเ้เพียงแค่บางส่วนเพราะจะจริงตะกอนที่มันนอนเนื่องในจิตใจของเร า, าสะสมมาไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาติหรือไม่แต่ชาตินี้ก็ไม่รู้กี่ิบปีแล้วนะมันมีเรื่องราวมากมายในจิตนะมันก็โผล่พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาให้เกิดเป็นความคิดเกิดเป็นอารมณ์ได้ได้ไบ่อยแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะเราถือว่าเรามาเรียนรู้เขานะ เขาแสดงขึ้นมาก็ถือว่าเข้ามาโชว์ให้เราเห็นว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่มันที่มันเป็นเรื่องที่มันติดค้างคาใจเนะี่ยเราก็ปล่อยให้เขาฝุดขึ้นมาแต่เราก็ทําหน้าที่เพียงแค่สังเกตรหรือว่าดูอย่าไปจมอย่าไปอยู่กับเขานะีเขาจะคิดก็เรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือ ตรางความรู้สึกตัวนะมันก็เรื่องของเขาเขาจะพุดเขาจะโผล่ขึ้นมาเรื่องของเขาหนะ้าที่เราแค่รู้เฉยคล้ายๆเหมือนกับไม่รู้เราระลึกได้มันเหมือนบางทีตอนเหมือนเราเป็นเด็กนะบางทีก็มักจะมีเพื่อนบางคนมาเช้าเย้าแย่มากวนโทรศัมามาคล้ายๆมาเล่นรอบๆข้างเรา มาแย่มาชวนคุยมาบางทีก็ชวนให้เราโกรธนะมาแหย่เล่นๆทดสอบดูถ้าเราไปต่อแย่กับเขานะถ้าเราไปําคาญเขาเนี่ยเขายิ่งได้ใจนะเขาอยากจะแย่ให้เราโกรธอยู่แล้วเรายิ่งโกรธเนี่ยเขายิ่งสนุกนะยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งแก้งใหญ่เลยนะจนกทั่งเราก็ลองท้าบางทีเราก็ทะเลาะกันนะแต่ถ้าสังเกตไหมบางที พอมีคนมาแย่มีคนมามากวนถ้าเรานิ่งนิ่งเราเฉยเฉยเราไม่สนใจนะมันก็จะเบื่อเองไอ้นี่ทําไมมาแย่มากวนแล้วมันนิ่งมันเฉยไม่สนใจเลยนะคนที่จะมาแหยบเรานะมันลาคาญเองมันําคาญมันก็เลิกไปมันก็เลิกไปเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิ่งโกรยิ่งหงุดหงิดหรือว่ายิ่งต่อแย่กับเขานี่มันยิ่งได้ใจนะ อารมณ์ความคิดก็เป็นเช่นเดียวกันนะนถ้าเรายิ่งไปไปชอบยิ่งไปชังไปตอแยกับเขาเนี่ยมันยิ่งได้ใจนะมันยิ่งโผล่ยิ่งผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเราก็เดี๋ยวก็ลงไปสุกเดี๋ยวก็ลงไปทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราทำเป็นเฉยๆกับมันนะก็ไม่ได้ปฏิเสธมันน่นนะ ก็รู <ina> si ้ว <discourse> ่าม <Often Ancient> ีสิ่งนี้เกิดขึ้นรอบๆอบนะสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ให้ค่าเอการไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาเนี่ยมันจะทําให้เรามีทุกข์สิ่งในที่เราให้ค่าให้ราคาเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขซึ่งความทุกข์ซึ่งความสมหวังซึ่งความผิดหวังเราให้ค่าใครถ้าคนนั้นเขาดีกับเราเราก็สมหวังเราก็มีความสุข เราให้ค่าใครถ้าคนนั้นเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ทำให้เราเกิดความผิดหวังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจเราให้ค่าอารมณ์ใดในจิตก็เหมือนกันถ้าความคิดในด้านดีเราก็อาจจะเผอไปทางที่ชอบที่พอใจถ้าความคิดเกิดขึ้นมาไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราแย่ไม่น่าคิดแบบนั้นเลย มันก็เกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นแค่ความคิดเป็นเพียงแค่อารมณนะ์การรู้สภาวะป็นเป็นแค่ความคิดเป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่การหลงไปของจิตเท่านั้นนะไม่ต้องไปเอาสาระสำคัญว่ามันมีคิดเรื่องอะไรคิดดีไม่ดีอย่างไรมีเหตุมีผลไหมสำคัญไม่สำคัญไหมไม่ต้องนะตอนนี้หนะ้าที่ของเราคือแค่วาง แค่รู้ว่าแค่รู้ทันว่าเออจิตใจตวเนี้ยมันเผลอเผลอไปคิดแล้วระวางเลยนะเราวางความคิดนั้นนะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนะแต่บางทีจิตมันวางของมันเองมันก็กลับมารู้สึกตัวของมันเองก็มีนะอันนี้แหละคือหน้าที่ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทําทให้มันมากๆนะแต่บางทีเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบมากๆากนะ บางทีมันก็เกิดความเมื่อยล้านี่เป็นธรรมดานะกายสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยที่เราต้องระดับกันระหว่างนะียืนเดินนั่งเนะี่ยนอนนี่คงกลางวันก็คงยังไม่นอนนะอนะืยืนเดินนั่งนะในศาสตร์อียะบทตรงนเนี้ยดักๆเนี่ยมันสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องเกิดความเมื่อยล้าเนะเกิดความอ่อนเพลียนี่เป็นธรรมดานะอืนะ เราก็ต้องปรับให้มันตามตามความเหมาะสมนะอยหนักด้านใดด้านหนึ่งเกินไปนะแต่แน่นอนแหละแต่แต่ละคนบางทีอาจจะถนัดเช่นบางคนอาจจะถนัดนั่งก็นั่งมากกว่าหน่อยบางคนถนัดเดินที่ว่าเดินนะรู้สึกตัวได้ดีนะไม่ค่อยง่วงก็เดินเป็นหลักนะบางคนนั่งแล้วจิตจิตใจมีสมาธินะ มีสติดีนะเห็นอารม์เห็นกิเลสได้เร็วนะก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได้นะแต่เราก็ต้องสลับปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในตามสภาวะร่างกายไปด้วยนะอันนี้ก็ก็เป็นธรรมดาถ้ามันจะเกิดความปวดเมื่อยล้าของร่างกายเนาะก็ก็ปรับเปลี่ยนเอ า, เอานะแก้ไขเอาบางทีก็ เปลี่ยนท่าทางออกกําลังกายช่วยบ้างนะมีโยคะมีกายบริหารบางอย่างช่วยบ้างก็จะทําให้ร่างกายมันมันเกิดความไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะแต่เราก็ถืออาศัยว่าเราก็รู้สึกตัวกับการการเคลื่อนไหวนะในท่าในท่าออกกําลังกายหรือในท่าโยคะต่างๆเนะี่ยก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวตรงนั้นไปด้วย เ น, นี่ยเราก็ต้องทําตอนนี้ไ ป, ไปหรือบางทีมันเกิดความเบื่ออปฏิบัติแล้วทําไมมันไม่สงบปฏิบัติแล้วทําไมมันไม่ได้อารมณ์เอมันไม่มันเลยมันไม่เพลินเลยเนยบางทีเราก็เคยปฏิบัติแล้วรู้สึกมันได้อารมณ์ดีเนาะมีความสุขมีความสงบอยู่บางทีโอชอบเนะก็คิดถึงอารมณ์ในอดีตที่เคยได้แบบนั้น เมื่ อ, อไร่มันจะได้อีกนะยิ่งคิดว่าเมื่ อ, อไหร่จะได้นะมันก็ยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งห่างจากผลที่จะไดนะ้เพราะว่าสภาวะธรรมนี่มันไม่ใช่เป็นไปนอย่างที่เราคิดนะมันไม่ใช่คาดหวังอยากได้แล้วมันจะได้กนะารปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่มันมันต้อง ท, ทําด้วยความไม่อยากจริงๆนะมันถึงจะได้นะ มันต้องวางทุกอย่างจริงๆมันถึงจะได้นะวางในที่นี้คือการวางใจจริงๆนะทําไปแบบถ้าจะว่าไปนะทําแบบคนโง่เนี่ยแหละนะทําแบบคนโง่ทําแบบคนที่ไม่ได้หวังผลอะไรเนะี่ยแหละทําไปนะซื่อที่สุดเนี่ยแหลนะนะนะบางทีถ้าเราฉลาดมากเกินไปเนะี่ยมันก็จะมีเหตุมีผล มีความปรุงแต่งมีความคาดหวังเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราทำไปแบบซื่อๆนะทำแค่ความรู้สึกตัวเฉยๆนะไม่ต้องกังวลว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่านะเราแค่รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวกับการทำในแต่ละขณะอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะก็พอแล้วอันเนี้ยถ้าลองทำแบบเนี้ยมันจะสำมันจะสาเร็จผลในปัจจุบันเลยนะ ตอนนั้นมันก็ระความคิดได้ตอนนั้นตอนนั้นมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนี่จิตก็เป็นปกติอยู่นี่ความคิดเกิดขึ้นมาเราก็ไม่หลงไปกับความคิดแล้วนี่ความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็ไม่หลงไปกับความโกรธแล้วนี่มันก็ดีแล้วนี่เนี่ยมันก็เกิดผลในปัจจุบันถ้าเราสัมผัสผลในปัจจุบันได้นี่จิตมันก็ไม่ทุกข์ในปัจจุบันแล้วนี่น่ะ มันก็สงบมันก็สบายแล้วนี่จะไปเอาอะไรอีกเนะอันนี้แหละถ้าเราทําแบบซื่อๆทาแบบไม่ได้อยากอะไรนะมันก็จะทํามันก็จะจะสามารถสําสัมผัสกับผลได้ในขนาดปัจจุบันได้เลยนะแต่ถ้าเราทําด้วยความอยากเนี่ยมันส่วนใหญ่ความอยากมันจะหวังผลเลิกนะมันจะอยากไ ด, ได้นั่นได้นี่อยากรู้นั่นรู้นีนะ่อยากเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ ส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสหรือสิ่งที่เคยได้สัมผัสแล้วล้วก็อยากจะได้อีกมันก็จะทำให้เกิดเราความทุกข์ใจเพราะ่อะไรเราไปพะวงจิตของเราพระวงถึงแต่ผลที่มันยังไม่เกิดในปัจจุบันเมื่อจิตมันไปพะวงตรงนั้นนะมันก็ทาแล้วก็เกิดความทุกข์ใจทำไปแล้วก็ไม่ได้ซึ้ที พอรู้สึกไม่ได้สักทีนานๆมันก็จะเกิดความเบื่ อ, อไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมทำไปก็เหนื่อยก็รา้าเฉยๆมันก็ผ่านที่จะทำให้เราคอยเลิกปฏิบัติไปอันนี้เราก็ต้องระวังน ะ, ะให้รู้ทันว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์มันเป็นแค่ความคิดสาเหตุจริงๆก็เกิดจากความอยากอยากจะได้เลยงเราสักอย่างนี่แหละมันทาให้เราคิดแบบนั้นเราก็ต้อง เราก็ต้องวางไปเราทําเป็นเพียงแค่หน้าที่นะหรือบางทีก็อาจจะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะช่วยมันคิดนิดนึงนะก็ในเมื่อเราตั้งใจนะที่จะวางการงานวางภาระทางโลกแล้วเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราจะให้โอกาสกับตัวเองไม่ได้หรอกคนะมาเรียนรู้ดูสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะเพียงแค่ช่วงสั้นๆนะ สามสี่วันที่เหลือนี่เองนะเราก็ให้โอกาสในการวางงานบ้างนะเหมือนคล้ายๆมาพักร้อนนะมาวางงานแต่เราก็จะทำหน้าที่อย่างนี้คือการกลับมารู้จักตัวเองนะมาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจะแสดงอะไรเกิดขึ้นในจิตหรือว่าในกายเราก็ดูมันไปนะไม่ปฏิเสธนะ แล้วก็ไม่ผักใส่เขาเนี่ยก็ดูเข้าไปบางครั้งความเบื่อเนี่ยก็สอนธรรมะเรานะมันก็สอนความไม่เที่ยงให้เห็นเหมือนกันแหละเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หายเบื่อเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หายง่วงเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็หายคิดอาจจะคิดใหม่เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ดับไป แม้เรื่องเดิมมันมาซ้ำหลายรอบแต่มันก็เกิดเป็ น, ปนรอบรอบไปนะมันไม่ได้เกิดยาวก็มีถ้าเรามีสตินะเมื่อนมันเห็นความไม่แน่นอนเห็นความไม่เที่ยงที่มันแสดงอาการให้เห็นเนะี่ยจิตเราก็คอยรับรู้เรียนรู้คนกนี้แหละไปเรื่อยๆนะแต่คร น, นี้เนะี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องทําด้วยความ ความไม่อยากแต่บางทีมันก็บางบางทีมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเราห้ามไม่ได้ครับเราต้องเรียนรู้ดูว่าความอยากมันเกิดขึ้นมาเราก็วางมาตอนนั้นคือเราไม่ปฏิเสธเหมือนกันบางทีก็มีความคิดความอยากเกิดขึ้นเราก็แค่รู้แล้วก็วางแต่เราก็ตั้งใจว่าจะวางใจแบบนี้แหละแต่บางทีจิตมันก็เผลอไปอยากก็จะทําให้เป็น เป็นตัวสังเกตไงว่าอ๋อกิเลสเกิดขึ้นแล้วเนาะนะนมันเกิดขึ้นแล้วเราก็วางไปตรงนั้นนะมันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ก็ดีก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆความสงสัยก็เหมือนกั น, นความสงสัยเกิดขึ้นในจิตนะก็ดูดูมันอย่าอย่าไปเที่ยวหาคําตอบให้กับมัน บางทีมันสงสัยเกิดขึ้นมานะเราก็มาคิดหาคําตอบให้กับตัวเราเองอันนี้เรียกว่า น, นี้หรือเปล่าอันนั้นใช่หรือเปล่าเราเดินมาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าเราเดินผิดทางอะไรต่างๆบางทีความสงสัยมันก็จะรบกวนจิตใจในขณะที่ปฏิบัติสนะิ่งสําคัญคือเราจะไปหาคําตอบให้กับความคิดนะ การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราพบคําตอบนะความคิดไม่ใช่เป็นการตอบคําถามที่ที่ดีที่สุดหรอกนะให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอ้อในใจเองนะมันไม่ใช่เกิดจากการคิดเข้าใจนะแต่เกิดจากการสัมผัสแล้วมันมันผุดเกิดความเข้าใจขึ้นมาของมันเองนะมันจะมีความรู้สึกอ๋ออืมอะไรประมาณเนะี้แล้วก็วางไปเลยนะมัน มันไม่จำเป็นต้องไปคิดตอบมันคิดตอบเนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้นะเหมือนกับเรื่องราวบางอย่างที่ที่เรารู้สึกเราก็รู้นะรู้แล้วแต่มันก็วางไม่ได้รู้แล้วแต่มันก็เลิกไม่ได้นะรู้แล้วแต่ก็ทำไม่ได้อันนั้นมีประโยชน์เพียงแค่ได้รู้นะสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองไม่ได้แต่การปฏิบัติทำเนี่ยมัน สอนตนเองเน่ยได้ก่อนสอนคนอื่นเนี่ยอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาด้วยนะแต่เนี้ยแต่ความรู้ที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเราเราจะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองหลวงพ่อคำเขียนถ้มามักพูดว่าไม่มีคำถามมีแต่ปฏิบททัติธรรมไม่มีคำถามมีแต่คำตอบนะมันจะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองนะ สิ่งที่เคยสงสัยจากการฟังจากการอ่านนะจากการคิดที่ไม่เคยเข้าใจเราภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความแตกฉานขึ้นมาเองนะคําตอบอาจจะตรงกับครูบาอาจารย์หรือไม่ไม่เป็นไรแต่เราก็เกิดความมั่นใจว่าเออนี่แหละคำตอบที่เราได้นะแต่มันก็ไม่ยึดนะว่าว่านี้ถูกทั้งหมดนะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ เรีดูไปเรื่อยๆช่วงนี้เราคิดว่ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเราพาวนามากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็อาจจะมีความชัดเจนหรือมีความแตกต่างมากขึ้นเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นอันเนี้ยบางทีความสงสัยก็จะชวนให้เราคิดนะคิดหาคําตอบคิดอยากแก้ความสงสัยนะบางทีความอยากมันก็เหมือนแรงผลักนะแรงผลักดันให้เราอืหาคําตอบให้ได้ ใจมันร้อนน่ะนะใจมันร้อนนะน อ, นนะอยากรู้ก็ถามทันทีอยากรู้ก็คิดทันทีนะอยากจะวางทันทีแต่จริงวิธีวางจริงๆนะวางตรงที่ไม่ต้องไปหาคําตอบนั่นแหละเหมือนการวางที่ดีที่สุดนอกเสีจากเราภาวนาไปแล้วมันติดอารมณ์จริงๆนะภาวนาไปแล้วเอ๊ะมันทําไมเครียดมันทําไมทุกข์นะ ไอ้แบบนั้นอาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าเราทำอะไรผิดพลาดนะเช่นบางครั้งที่จิตมันตั้งใจเกินไปหรือเปล่านะมันเพ่งจ้องเกินไปไหมนะถ้าแบบนั้นเราก็ต้องกลับมาตั้งข้อสังเกตดูดูตัวเราเองว่าเออมันมันเพ่งจ้องเกินไปไหมท่าทางการปฏิบัติมันมันไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่านะ มันช้าเกินไปหรือเปล่านะหรือว่ามันเดินเหินไม่ปกติธรรมดาเนะี่ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองการวางหน้าวางตามันเคร่งเครียดไหมนะนะเงมบางครั้งเราก็ต้องกลับมาดูบ้างเพราะบางทีเราก็เผลอเผลอแบบไม่รู้ตัวนะทำให้กายมันผิดธรรมชาตนะิทำให้ใจเขาผิดธรรมชาติ ใหม่ๆมันก็เดินสบายพอเดินไปเดินมามันก็รู้สึกมันมันมันเกรงเกินไปอย่างนี้ยเราก็ต้องปรับให้มันพอดีนะแต่ก่อนวางหน้าวางตาก็สบายแต่พอปฏิบัตินานไปมันเอาเริ่มเอาจริงเอาจังนะคิ้วเริ่มผูกโบ่ร่างกายเรื่องเกรงเกรงอย่างนี้เราก็ต้องคลายกายให้มันผ่อนคลายมันก็อาจจะช่วย คลายจิตใจให้มันผ่อนคลายไปด้วย น, นี่เราก็ต้องมามาสํารวจอยู่ตรงนี้หรือถ้าใครเคยไปทําโยคะนะก็เหมือนคล้ายเหมือนบางช่วงตอนที่ท่าพักท่าศพแบบเนี้ยเขาก็ให้เราสํารวจดูร่างกายแตทีละส่วนว่ามีส่วนไหนที่มันเกรง็งที่มันเครียดก็ค่อยๆผ่อนคลายบางทีเราก็ทําแบบนั้นบ้างก็ได้กลับมาดูสํารวจดู ใบหน้าผ่อนคลายไหมนะสำรวจดูไหลท้องหน้าอกอะไรแต่ละส่วนมันผ่อนคลายไหมหรือบางทีเราก็ดูแบบรวมๆไปเลยนะมือเมืองแล้วก็ผ่อนคลายมันไปมันก็จะช่วยนะตัว น, นี้ก็ช่วยทําให้เราเป็นครูที่เตือนตัวเองได้นะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราทําปฏิบัติไปเนะี่ย มันเราไม่เห็นตัวเองหลักว่าเราทําไปทําไมหน้าเราบึ้งเหลือเกิน เ, ออเราทําไปทําไมมันน่ากลัวคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เหลือเกินเราทําไปก็ไม่รู้นะเ อ, อเนี่ยเราก็ต้องสารวจดวูตัวเองอยู่เสมอเนี่ยอันนี้คือคือเรื่องที่เราปฏิบัติทำมันเนาะเราก็ทําแบบนี้ออมาเชื่อว่าเพียงแค่สามสี่วัน ที่เหลือตอนนี้มันมันไม่ได้มากเกินไปเลยในชีวิตของเราชีของเราหลายสิบปีเนี่ยทำอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายละแต่สามสี่วันนี้เราจะเป็นการให้โอกาสตัวเราเองในการที่จะหยุดกอบตัวเองให้มากที่สุดไม่มีเรื่องราวอย่างอื่นที่จำเป็นต้องทำในตอนนี้นอกจากกิจวัตรปกติธรรมดานะไม่มีการงานอย่างอื่นที่ ที่ควรค่าในการมาคิดในตอนนี้นะเรากลับไปนะแล้วก็ค่อยไปเคลียร์ค่อยไปทําก็ได้นะหรือบางทีก็ให้ลึกถึงความตายนะไว้เสมอสมมติถ้าเราตายวันใดพรุ่งนะวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่สิ่งอะไรที่มันจะมีค่าที่สุดที่เราอยากจะทำบางทีอาจจะไม่ใช่การ หาเงินเพิ่มบางทีอาจจะไม่ใช่การทำงานสาเร็จก็ได้แต่อาจจะเป็นการแค่ได้พักกลับมาดูแลกายใจตัวเองให้ดีให้ใจพร้อมที่จะตายให้ใจพร้อมที่จะปล่อยวางการได้อยู่นิ่งๆเงี่ยเป็นการได้กลับมาเตรียมตัวของเราเองอย่างดีเลย ว่าเราพร้อมไหมที่จะไปะเชิญกับความเจ็บว่าเราพร้อมไหมที่จะไปะเชิญกับความตายว่าเราพร้อมไหมที่จะไปะเชิญกับความพัดภาคสูญเสียเป็นการให้โอกาสตัวเองจริงๆเนาะถ้าเรายังไม่วางตอนนี้นะต่อไปพอเจอเรื่องวกนี้จริงมันก็จะวางยากการฝึกตัว น, นี้ก็เป็นการฝึกวางฝึกวางไว้แต่ถ้าเรายังมีโอกาสกลับไปทั้งโลกแล้วก็กลับไปทำ แต่ก็ทำด้วยความวางด้วยน ะ, ะ, ะคือเราทำไปด้วยวางไปด้วยนี่สามารถทำได้บางทีคนส่วนใหญ่เท่าที่อาจไม่รู้ส่วนใหญ่หรือเปล่าแต่บางคนก็มักจะมีความไม่เข้าใจในเรื่องความพยายามกับเรื่องของอุเบกขาไม่รู้ว่าต้องทำขนาดไหนมาถึงจะ ถึงจะเต็มที่ถึงจะวางได้แล้วนะวเราทำงานก็ดีเราช่วยคนอื่นก็ดีหรือแม้แต่เรื่องการปฏิบัติก็ดีไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแบบไหนที่เรียกว่าทำเต็มที่นะแล้วก็เลิกที่จะทำกับมันแล้วควรที่จะวางกับมันได้แล้วนะเราช่วยคนก็เหมือนกันเราได้ช่วยเขาเต็มที่แล้วยังหรือว่าเราวางเฉยมากเกินไปนะแต่จริง ความเข้าใจของอาตมานนะการทำความเพียรหรือว่าการพยายามที่จะทำอะไรเนี่ยมาสามารถทำได้ควบคู่ ก, กับการวางอุบเบกขาในใจได้เลยนะเราทำตอนนี้เสร็จเราก็วางตรงนั้นเลยเรามีโอกาสทำใหม่เราก็วางใหม่ตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคิดว่าสมมตินะสมมติเราทำให้เขาเต็มที่แล้วสิบวันที่เหลือวัน หลังจากสีบวันนี้เราจะไม่ทำแล้วนะมันไม่ใช่นะแต่จริงเราทำตอนนี้วันนี้เราก็วางตรงนี้เลยวันพรุ่งนี้เราทำใหม่แล้วก็วางใหม่อีกนะมันทำไปแล้วก็วางไปพร้อมกันนะแต่บางคนนี่มันจะเกิดความเครียดบางทีก็รู้สึกว่าเรายังไม่ทำเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนเต็มที่ถึงจะวางได้ก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจ แต่ในการภาวนาเนี่ยนะแม้เรื่องงานทําโลกก็ดีหรือเรื่องการปฏิบัติธรรมส่วนตัวเองก็ดีเราสามารถทําเต็มที่โดยที่ไม่ต้องตีเรียดควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะเพราะบางทีปฏิบัติธรรมอย่างเช่นเราปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าเราเก็บอารมณ์เนี่ยบางทีสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, นง่ายๆคือคือความเครียดนะ่นะเกิดนะความเครียดขึ้นมาเกิดนะความจริงจังขึ้นมาเนี่ย เราทำเหตุนะตอนนี้เราทำเหตุนะแต่ผลเนี่ยเราอย่าไปหวังมันถ้าเราไม่หวังผลเนี่ยมันจะไม่ซีเรียสนะเราก็แค่ทำเหตุให้ถูกก็พอละนะเราทำไปด้วยแล้วก็วางไปด้วยนะทำเรื่อยก็ปล่อยไปด้วยนะเราทำเหตุแล้วก็วางผลจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องของมันนะเราทำหน้าที่ของเราคือแค่ทำเหตุไปเรื่อยๆนะ ต้องระวังดีๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังเกินไปทำให้สบายๆนะถ้าทำให้สบายๆมันจะทำไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าจริงจังเคร่งเครียดเกินไปเนะี่ยมันจะทำแล้วเหนื่อยแล้วท้อแล้วก็อยากจะถอยนะนี่เราก็ต้องดูว่าเดินแบบไหนนั่งแบบไหนมันสบายๆผ่อนคลายแต่ก็ไม่ใช่สบายแบบไปคิดเพลินไปหลงเพลิน ไปหลายนาทีแล้วค่อยรู้ตัวทีก็ไม่ใช่นะนอาจจะคิดบ้างแต่เราก็กลับมารู้สึกตัวให้เร็วๆนะอาจจะลงบ้างเราก็กลับมารู้สึกตัวให้เร็วๆนะอย่าหวังผลเดิรดเกินไปนะถ้าหวังผลเดิร์เกินไปเนี่ยมันจะเกิดความเครียดนะทาไมมันคิดอยู่ทําไ ม, มไม่สงบอยู่ทําไมมันไม่รู้สึกตัวต่อเนื่องอะไรนะั้นะมันจะเกิดความเครียดตัวนี้นะ มันหลงนี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตนะมันดงก็เป็นธรรมชาติของกิเลสกิเลสเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะเราสร้างตัวรู้ก็เป็นการสร้างตัวรู้ขึ้นมานะจําไว้เหมือนกับที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกอะเรามาเลี้ยงแมวเรามาให้อาหารแมวนะหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปจับหนูเองเรามาเลี้ยงสติเรามาพัฒนาสติ ให้สติไปจัดการกับความคิดกับกิเลสของเขาเองนะเราก็ทำหน้าที่ตอนนี้ของเรานะวางใจไปเลยนะกิเลสความคิดเป็นอีกเรื่ อ, องหนึง่งหน้าที่ของเราคือมาสร้างสติมาสร้างตัวรู้นะมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้มากที่สุดนะจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามพยายามแล้วรู้รบ่อยรู้บ่อยนะแต่ก็ทาด้วยความ ไม่เคร่งเครียดเนา ะ, ะบางทีก็อมยิ้มบ้างเะอยู่กับตนเองก็อมยิ้มนะปฏิบัติธรรมบ้างหรือบางทีมันเคร่งเครียดมากก็มองต้นไม้นะมองนกมองท้องฟ้าบ้างนะเอนกเขาก็ยังร้องจิ๊บจิ๊บนะสนุกสนานนะเราจะมาเคร่งเครียดเกินไปแล้วนะอืต้นไม้เขาก็มีอากาศ ที่บริสุทธิ์ให้ออกซิเจนแก่เราบางทีก็สูดลมหายใจลึกๆเอาออกซิเจนขึ้นม า, าผ่อนลมหายใจสบายๆให้มันโล่งขึ้นบ้างนะอย่าไปจริงจังเกินไปนะก็แต่ก็ทำเหตุให้มันเต็มที่นั่นแหละนะแต่อย่าไปซีเรียสกับผลที่มันเกิดขึ้นมานะถือว่าเราได้ได้ปลารบความเพียร น, นะ ได้เดินทางตรงนี้แล้วนะเราก็คงจะต้องเดินไปทั้งตลอดชีวิตเนาะนะงานการทางโลกเราก็ทำกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะที่มีภาระทางโลกก็ต้องทำไปแต่เรื่องที่เป็นการพัฒนาจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีคุณค่ามากนะวัตถุทางโลกสิ่งของทางโลกเนี่ยตายไปแล้วก็ อ, อกไปไม่ได้ แต่คุณธรรมในจิตใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะส่งผลวัดว่าเราจะไปสู่ภพภูมิไหนหรือว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีค่ายิ่งกว่าวัตถุทางโลกหรือการงานทางโลกอีกนะให้เราให้เห็นคุณค่าตรงนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรสิ่งที่สำคัญกว่าในชีวิตนี้ เ, นเราก็ฝากไวในเช้าวันนี้